ชายคนหนึ่งชื่อว่าสมหวังแต่ก็ไม่สมหวังเป็นชื่อชีวิตมีแต่ว่าผิดหวังตกงานแล้วก็เป็นนี่เป็นสีมากมายไม่ว่าจะเป็นค่ารถต้องผ่อนรถผ่อนบ้านแล้วเมียก็มาทิ้งอีกสมหวังเครียดมากหาทางออกไม่ได้จึงคิดฆ่าตัวตายดึกๆคืนหนึ่งจึงไปยืนที่สะพานพระปิ่นเกล้าระหว่างตัดสินใจจะโดดนะด้าดีไม่ดีนั้นก็มี หญิงชลาคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีหญิงชลาก็ทักว่าพ่อหนุม่มเป็นไงทำไมหน้าตาหมองคล้ำดูเคร่งเคียดอย่างนี้สมบังก็เล่าให้หญิงชลาฟังหญิงชราก็หัวเราะดีใจบอกพ่อหนุม่มเองโชคดีนะที่มาเจอยายเองรู้เปล่ายายจะเป็นแม่มดมีลทธิ์สามารถขอพรได้ถ้ายายพอเองสามข้อแต่มีเงื่อนไขคืนเนี้ย เองต้องไปนอนกับ่าหนึ่งคืนเพื่อเป็นการตอบแทนสมหวังมองไปที่ยายแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกจะไม่มีทางเลือกเหมือนสวรรค์โปดอะให้ชีวิตมีทางออกเอาอย่างไรก็เอาว่กเอาว่าก็เลยตัดสินใจไปนอนกับยายคืนหนึ่งผ่านพ้นคืนนั้นไปตอนเช้ายายก็ลุกขึ้นมานั่งกินหมากเคี้ยวหมากจะสบายใจสมหวังตื่นขึ้นมา ก็ถามว่ายายตอนนี้ขอพรได้ยังยายก็เดินมารูปหัวสมหวังพู้ดุมเ อ, อ๋ยเองน่ะโตจนป่านนี้แล้วยังเชื่อเรื่องแม่มดเหรอแล้วแกก็เดินหลอกไปทงให้สมหวังช็อกถูกยายหลอกท่้นคนเราบางครั้งการเชื่อคนง่ายเนี่ยก็ทำให้ถูกหลอกนะอย่างเมื่อก่อน Facebook ปลอมมีมากมายเลยโดยเฉพาะ เฟซของอิชิตันเสียตันเนี่ยทำอยวยชีจรวยไงแล้วก็มีการแจกแจกรถแจกเงินไอเฟซปอมเนี่ยก็เที่ยวมาขอเป็นเพื่อนกับคนที่มีเพื่อนเยอะอาบมาก็แตกใจเอ๊ะทำไปเสียตันมาขอเป็นเพื่อนกับเราเพราะปกติเนี่ยเสียตันเนี่ยจะมียอดยอดแฟนเพจเนี่ยระดับหลายล้านคนนะเป็นเพจที่ใหญ่มาก อย่างเรานี่เฟซกระจกกระจกไม่น่ามาขอเนเพื่อนไงก็สงสัยอยู่ก็เลยรับสักพักหนึ่งก็มีข้อความมาบอกว่าคุณเนี่ยคือผู้โชคดีได้เงินรางวัลหนึ่งล้านขอให้รีบขอให้รีบด่วนเลยตัดินใจด่วนเลยอาดามาก็เอ๊ะตกใจไปกันนะตอนแรกอยู่ๆได้เงินหนึ่งล้านแต่ก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วแลนะเ ข, เขาบอกเขาบอกว่าเนี่ต้องรีบลงมาเลยนะเนี่ยรีบมาที่เซเนเนี่ย มาซื้อบัตรอะไรของเขาเนี่ยเสียงเงินสามพันบาทแล้วเขาจะทําเรื่องโอนเงินร้านให้เราให้เราก็คิดตัวเอ๊ะเงินตั้งร้านหนึ่งเนี่ยทําไมมาจ้องเอาเงินสามพันจากเราแล้วย้ําจริงจังมากเลยนะหลายรอบอย่าว่าแต่สามพันเลยถ้าเกิดให้ร้านจริงจรเนี่ยมันหักเงินหมื่นหนึ่งก็เราก็ให้อะเต็มใจให้อย่างยิ่งเลยที่มันไม่มีอยู่จริงไงมันก็ส่งหลักส่งหลักฐานว่าไอ้คุณว่าผมไปเพจปลอมเลยนู้นนี้แสดงหลักฐานปลอมไงว่ามีคนรับ เงินล้าจริงๆอะไรเงี้ยอ น, นไม่เชื่อแล้วก็บล็อกเขาไปแต่ก็มีคนโดนหลอกเหมือนกันนะเสียเงินสามพันแล้วก็ไม่ได้เงินล้านเจ็บใจเล่นส่วนมากเขาจะหลอกคนที่โลภไงอย่างพวกเจ้าวาดเจ้าทําตำบลหรือเจ้าท่าอเภอ น, นี่ยมักจะโดนหลอกส่วนมากจะเป็นหลวงตาไม่เรู้เรื่องอะไรบางคนหลอกว่าจะถวายรถตู้เงี้ยหรือรถ ด, ดีๆเงี้ยแล้วก็ให้เนี่ยโอนเงินให้ก่อนโอนเงินค่า โอเงินค่าเนี่นะค่าส่งเพราะรถมันต้องส่งมาไงจากกรุงเทพค่าโซฮุยอะไรเงี้ยมาขอค่าโซฮุยพวกหลวงตาเนี่ยบางทีหลงเชื่อกัก็ให้ไปพอตอนหลังก็รู้ว่าถูกหลอกรถก็ไม่ได้แถมเสียตังค์อีกต้องเป็นหมื่นก็มีพอรถหนึงราคาก็หลายแสนเนียพอได้มาก็คุ้มอะ่ะบางทีเสียงเงินหมื่นนึงก็งยอมส่วนมากเราโดนหลอกเพราะความโล่งไงฉะนั้นเราคิดตัวเอง สมัยก่อนที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยจะมีชุมชนมากมายเลยชุมชนที่ใหญ่ก็คือชุมชนเสือฝ้ายเสือฝ้ายเนี่ยจะมีบริวารมากแล้วก็เป็นลักไครของชาวบ้านคือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลชาวบ้านรักแล้วก็ปล้นปล้นคนรวยช่วยคนจนคั้นถึงวันเกิดเสือฝ้ายเนี่ยเสือฝ้ายก็ประกาศเลยบอกว่า คนที่มาร่วมงานน่ยอยาเของฝันมาให้นะประกาศไปทั่วห้ามนําของฝันมาให้หรือนําของติดมือมาให้ให้มาตัวเปล่าก็มีเท่าแก่จากนครบฐมเนี่ยก็สนิทกับเสือฝ้ายอยู่ไม่รู้ข่าวนี้ไงก็เลยซื้อของก็ฝากโดยซื้อกล้วยมาฝากขันมาถึงชุมโจ้เสือฝ้ายเสือฝ้ายก็โกรธเพเท่าแก่คนเนี้ ไม่ทําตามที่บอกไงนําของเ อ, อว่าเลยให้ลูกสมุนเนี่ยจับเท่าแก่เนี่ยถอดละเกกออกแล้วก็กล้วยเนี่ยยัดเข้าไปทงก้นระหว่างที่โดนกล้วยยัดกน้นอ่ะเท่าแก่ก็ร้องหอยหัวเลยซีเรี่ยวซีเรีย ว, ยวแต่ถ้าพักหนึ่งแกก็หัวเราะชอบใจเสือฝ้ายก็หรือหัวร้ออะไรฮะพวกขมว่าเพื่อนอว้วเนี่ยเดี๋ยวอีกก็เดินทางมา อีซื้อส้มโอฝากลือ ด, ด้วยคือเท่าแกคิดว่าเพื่อนจะลองโดนส้มโอยัดโกนเหมือนแกไงแต่คิดเอาเองเรื่องนี้ก็จบแต่บางครั้งการคิดเราเองก็ทำสบเสียหายกับชีวิตได้เหมือนกันมิชายหนุ่มคนดนึงชื่อว่าโจโจตอนนี้ก็อายุ38แล้วแต่โจมีโรคประจำตัวอย่อยางหนึ่งคือปวดหัวมา20ปีแล้วปวดหนักมากตอนแรกก็คิดว่าอาจจะ เรียนหนังสือมากหรือทางานเครียดพักผ่อนไม่พอจนในสุดก็ทนไม่ไหวจึงไปปรึกษามหมอหมอวิจัยโรคแล้วเขาบอกว่าหมอมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายาบอกจะเอ า, ข, าข่าวไหนก่อนจะบอกข่าวดีก่อนก็แล้วกันหมอก็บอกว่าโรคของคุณเนี่ยหมอพิทางรักษา ห, หายขาดได้เอาแล้วข่าวร้ายแล้วหมอข่าวร้ายคือเคสของคุณเนี่ย เป็นหนึ่งในหลายล้านคนที่เป็นแบบนี้หมอจำเป็นต้องตัดไข่คุณทิ้งเพราะไข่ของคุณเนี่ยไปดันลำไส้ให้ไปกดทับเส้นประสาทส่วนล่างของกระดูกสันหลังมันเป็นสาเหตุให้คุณปวดหัวอย่างรุนแรงมาตลอดหลังจากฟังข่าว้ลยจบโจนี่ตกอยู่ในภาวังเลยเหมือนโลกหมุนเวิ้งว้างไปหมดแล้วก็ขอตัวกลับไปนอนคิดดูก่อนนะว่าจะตัดไขดไ่ดีไหมดีโจนอนคิดอยู่หลายคืน จะไปปรึกษาไขรก็อายเราใจเจ๊อะเป็นไงเป็นการตัดไข่ดีกว่าปวดหัวหลังจากตัดไข่แล้วพักรักษาตัวแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลโจก็รู้สึกว่าสมองเนี่ยบาดโป่งโล่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนชีวิตช่างเบื้องว้างเหมือนขาดอะไรอย่างหนึ่งจึงต้องไปเติมอะไรให้กับชีวิตซะหน่อยจึงเดินไปที่ร้าน เสื้อตัดสูตรที่หรูที่สุดของเมืองตั้งใจไปซื้อของเพื่อให้เป็นรางวัลกับชีวิตที่สูญเสียอะไรบางอย่างไปเข้าไปในร้านปุ๊บชายชาลาที่เปเจ้าของร้านก็ออกมาต้อนรับโจก็ขอดูสูตรหน่อยชายชาลาเจ้าของร้านมองซ้ายแล้วบอกบโดยไป็นรังวัดเลยโจก็โอ้โหรู้ได้ไงเนี่ยผมเปิดร้านมาหกปีแล้วครับโจลองใส่สูตรดู เดินไปก็สูงสมส่วนดีใช้ได้สักพักหนึ่งชัยชาลาก็พูดต่อรับเสื้อเชิ้ตอีกไหมครับอืมก็ดีเหมือนกันชัยชาลาก็บองสัดส่วนแขนสามสี่คอสิบกนิ้วครึ่งโจก็แปลกใจรู้ได้ไงเนี่ยยังไม่ได้วัดเลยผมเปิดร้านหกสิบปีแล้วครับ ลองใส่เชื้อดูก็เข้ากับรูปร่างสักพักหนึ่งชายชลาก็เหมือนเดิมแหละมาเสนอกางเกงเอา้าวโจก็เอาโดยไม่ต้องวัดแล้วก็มาเสนอรองเท้าอีกเหมือนเดิมรองเท้าก็ไปลองวัดอา้าวเก้านิ้วครึ่งโจก็รับหลังจากลองสูตรเสื้อเชิดกางเกงรองเท้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เท่ชายชลาก็ถามต่อ ลองเกยงนใหม่สักตัวไหมครับอืก็ดีเหมือนกันชัยชารลามองดูที่ซสายของโจแล้วสามสิบหกนิ้วโจหัวลอกากากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าชัยชล า, าเดีย๋ยตอบผิดแล้วเพราะตัวเองเนี่ยใส่สามสี่าตลอดคุณผิดแล้วผมใส่สายสามสี่าตลอดชัยชารลาก็มองหน้าโจแล้วก็ ว่ายัางคุณจดสามสี่ไม่ได้หรอกทรมานตายเลยเพราะมันจะไปเพราะไข่ของคุณเนี่ยจะไปดันลำไส้ให้ไปกดทับเส้นประสาทส่วนล่างของกระดูกสันหลังมันจะทำให้คุณเนี่ยปวดหัวถามจีิเหรอตอนนี้คุณไม่ปวดหัวบ้างเหรอจูช็อกเลยเพราะถ้าเกิดมาหาชัยชาลาคนนี้ก่อนก็ไม่ต้ไปตัดไข่ อันนี้เป็นเรื่องเล่าของฝรั่งนะอาตมาก็นำมาเล่าให้โยมฟังบางทีทำอะไรที่แบบไม่ปรึกษาใครแล้วก็รีบร้อนทำอะ่ะกลายเป็นคนเสียหายได้อย่างอย่างงานบางอย่างถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราถามผู้รู้เราเราไม่อายเราถามไปเาก็มีคนช่วยเราได้นะเดี๋ยวนี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ถามก o เกิก่อนว่าแล้วกันก่อนตัดสินใจอะไรถ้าเราลิสตัดสินใจผิดเนี่ย ก็ทำให้ชีวิตเราเสียหายได้อย่างโจเป็นต้นเรื่องนี้อาจจะไม่มีอะไรระคมขำแต่ก็ให้ข้อคิดดีเหมือนกันเรื่องต่อมามีหญิงนักธุรกิจคนหนึ่งระหว่างรอเครื่องที่จะขึ้นเครื่องบินก็มีชายหนุม่มมานั่นขงข้างๆเธอก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจาชายหนุม่มคนนี้เพราะว่าชายหนุ่มเนี่ยกินคุกกี้ของเธอ เธอก็หยิบกินด้วยต่างคนต่างหยิบกินแหะเธอรู้สึกว่าชายหนุ่มเนี่ยเป็นคนที่ไร้มารยาทไร้ยางอายไร้การศึกษามากินคุกกี้ของเธอได้ยังไงกินไปกินมาจนเหลือชิ้นสุดท้ายเธอก็บอกว่าไอ้ชายหนุ่มคนนี้จะทําไงกับคุกกี้ชิ้นนี้เขาก็หักไม้เธอครึ่งหนึง่งแล้วก็ต่างกินจนหมดหญิงสาวเนี่ยเธอโกรธมากนะเพราะว่าไม่มีคําขอบใจไม่ได้คําเดียวถึงเวลาเธอก็ขึ้นเครื่อง แล้วก็หยิบหนังสือที่อ่านค้างมาอ่านต่อแต่ท aday นั้นเธอก็เห็นคุกกี้ของเธอเนี่ยอยู่ที่นั่นอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่เรากินเน่ยเป็นคุกกี้ใครก็คุกกี้ของชายหนุ่มนั่นแหละที่เธอว่าร้ายยังอายหน้าด้านนั่นแหละเธอไปกินคุกกี้ของเขาแต่คิดว่าเป็นคุกกี้ของเธอก็เลยรีบจะไปขอโทษแต่ช้าไปแล้วชายดุร้ายหายไปแล้วอันนี้เป็นการเข้าใจผิดคิดตัวเอง คนเราเนี่ยคิดเราเองง่ายนะบางทีไปเพ่งโทษคนอื่นก็เป็นอย่างงน้นเป็นอย่างนี้แต่บางทีมันก็ไม่ใช่บางเรื่องอย่าระบายแล้วเคยทําของหายนะบางทีก็หาเท่าไหร่หาไม่เจอสักว่าหนึ่งก็เจออยู่ข้างหน้าเราเ อ, เเองก็มีดงั้นเราก็ต้องคิดได้ดีๆก่อนเรื่องอย่าด่วนสรุปเพราะถ้าด่วนสรุปเนี่ยมันจะเกิดการเข้าใจผิดได้ก็ทําให้ชีวิตเสียหาย ทุกวันนี้คนเราโดนหลอกก็เพราะความอยากความโลภนี่แหละเดี๋ยวนี้โฆษณานี่ก็เชื่ออะไรไม่ค่อยได้ก่อนจะเชื่อจะซื้อของก็ต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกว่าของแท้ไหมเราไม่โดนหลอกถ้าเรารีบซื้อเราก็จะโดนหลอกเจอของปลอมเพราะสมัยนี้คนเราโลภไงอยากได้เร็วๆอยากได้ของถูก ของฟรีของถูกก็ไม่ค่อยมีในโลกหรอกแล้วจ่ายค่าตอบแทนต้องคิดได้ดีๆก่อนเรื่องต่อมามีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนเนี้เป็นคนที่เจ้าลมเป็นคนที่ขี้หุนหิตจึงทำให้เครียดแล้วก็ปวดหัวอยู่เป็นประจำปวดหัวตลอดจึงประกาศให้หมอเนี่ยมารักษาโรคนี้แต่หมอก็รักษาไม่หายนะจนเศรษฐีไม่รู้ทไงก็เลยรูเครียดแล้วปวดหัวต่อไป อยู่พอวันหนึ่งก็มีฤาษีที่มักคุ้นเนี่ยมาเยี่ยมเศรษฐีเล่าอาการปวดหัวให้ฤาษีฟังฤาษีก็บอกโรคของเจ้าเนี่ยรักษาง่ายนิดเดียวให้เจ้าเนี่ยมองทุกอย่างให้เป็นสีเขียวตลอดเวลาโรคนี้ก็จะหายไปเศีได้ยินดังนั้นรู้สึกชีวิตมีความหวังเพราะการที่มองทุกอย่างเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําง่ายไง วันลุกขึ้นเศรษฐีเป็นคนรวยๆมากนะเศรษฐีก็จ้างช่างทาสีนะี่แหละให้ไปทาสีหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยให้เป็นสีเขียวให้หมดแล้วก็ซื้อเสื้อสีเขียวแจกพวกชาวบ้านลูกเร็กเด็กแรงใส่สีเขียวหมดเศรษฐีทุ่มทุนโหราเลยมองไปทางไหนก็มีแตสีเขียว ตอนนี้โรคปวดหัวของเศรษฐีก็ค่อยๆหายทำให้เศรษฐีอารมณ์ดีมีความสุขขึ้นสามเดือนผ่านไปฤาษีก็กลับมาเยี่ยมเศรษฐีระหว่างที่เข้าหมู่บ้านเนี่ยก็ถูกช่างทาสีจะวิ่งไล่จับบอกให้ต้องมาทาสีเขียวก่อนเข้าไปหาเศรษฐีแบบนี้ไม่ได้ฤาษีก็ตกกระจายหนีช่างทาสีอุตลุดเลย นีกระเซิ ก, กระเซิงจนเข้ามาในบ้าเศรษีจนได้บาถีก็ชี้หน้าด่าเสรษฐีบอกข้าไปให้เองทําอย่างนี้นะทํำไมต้องลงทุนเสียเงินเสียทองมากมายเพื่อทําให้เมืองไปสีเขียวทั้งหมดแค่เองเนี่ยเอาแว่นสีเขียวมาใส่ก็จะเห็นโลกไปสีเขียวแล้วทํำไมโง่จังเรื่องนี้ก็จบคือเสรษฐีเนี่ยเป็นคนรวยก็เลยคิดจะเปลี่ยนแปลง สิ่งอื่นสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกเนี่ยบางทีเราก็เปลี่ยนได้บ้างไม่ได้บ้างไม่มีใครได้ยางใจเราหมดหรอกแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเราเองแหละเปลี่ยนตัวเราเองให้กลมคือธรรมชาติถ้าเราเปลี่ยนตัวเองแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เป็นสีเขียวหมดเหมือนใส่แว่นสีเขียวอะชีวิตเราก็เปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักครูบาอาจารย์เพื่อร่วมงาน สารที่สิแวดล้อมถ้าเราขี้จะเปลี่ยนแปลงข้างนอกเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกไม่มีทางเปลี่ยนได้ด้วยอย่างมาอยู่วัดเนี่ยแต่ละวัดก็จะมีปัญหาทุกวัดแหะมีปัญหาที่ไม่ถูกใจเราขัดใจเราบางวัดก็ยุงเยอะบางทีก็อาจารย์ยี่เง่าบางทีเพื่อนร่วมวัดยี่เง่าบางทีก็ทิฐิไม่ตรงกันมงมงายดือ้อรั้นหาเรื่อง หรือกดระเบียบที่ขัดใจเราหรือไม่ก็มีงงมีงานวุ่นวายทำให้ไม่สงบไม่เกิดความผาสุบบางที่อยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบแต่ก็เหงาไม่มีผู้คนอาหารการกินก็ฝืดเคืองลำบากนั้นแต่ละวัดแต่ละที่จะไม่มีอะไรที่ลงตัวเหมือนั้งใจเราหรอกแล้เราอยากอยู่ที่ไหนเราก็้องปรับตัวปรับใจให้เข้ากับที่นั้นๆเราก็มีความสุขอยู่ได้ ไปอยู่ที่ไหนก็กลมกืนไปนั้นแก้ไขตัวเราเองดีกว่าไปเปลี่ยนข้างนอกข้างนอกเราเปลี่ยนไม่ได้บางครั้งก็เปลี่ยนได้นะบางเรื่องแต่ว่าบางเรื่องก็เปลี่ยนไม่ได้ส่วนใหญ่เปลี่ยนไม่ค่อยได้เปลี่ยนเยล่าดีกว่าอย่างคูวว่วานก็ไปวันพระทำแม่ธระมานึกถึงบรรยากาศวันพระ ท, ที่พูหลงเมื่อเมื่อสองปีก่อนอนาจาจย์ภาษาภูหลงนะแต่อาจาําภาษาภูหลงเนี่ยะราบอกต้อง ม, มาสุกโตกับอาจารยภาษาเนี่ยวิ่งไปวิ่งมา2วัดเย่ย เลยไม่รู้ว่าตัวเองอยู่วัดไหนมากกว่ากันระหว่างผู้หลงกับสุขโตงงภาษานั้นแต่ที่นั่นมีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันนะวันพระนี่แหละมีเรื่องเล่าเยอะคือวันพระเนี่ยเป็นวันที่ชาวบ้านตัดดินทองเนี่ยจะไปที่วัดไปถือศีลกันคึกคักเลยแะบรจากายให้นู่นจา ก, ากตลากัสุกโตมากสุขโตนี่ก็จะมีพ่อจงแล้วก็ลุงอยู่สองคนเนี่ยแล้วก็ แม่ออกก็มีเปียกี่คนหรอค่อนข้างจะน้อยถ้าเทียบกับที่นูน้นที่นู้นบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศที่จริงจังไงชาวบ้านอยู่ที่นู้นก็จะปฏิบัติธรรมสวดมนต์เสียงดังล่าดนน้วยหมดเลยอาจารย์ใบสารเนี่ยจะห่วงชาวบ้านที่นู้นนะบางครั้งถ้าวันพระตรงกับตรงกับอยู่สุกโตท่านก็จะพยายามไปเพื่อไปเทศไปแสดงธรรมให้ชาวบ้านฟังไงให้กํำลังใจเพราะท่านศรัทธาเขาเยอะแล้วเขามั่นคงมากเลย วันพระเนี่ยเขาจะไปกันเ ย, ะ ย, ะยะ อ, อะแยะหมดและแล้วที่นั้นก็จะเวียนกันเวียนกันพูดนะที่ผู้หลงเนี่ยที่ผูหลงไม่ไดใ้ให้เทศอย่างแบบแบบที่สุกโตนะที่ดุ้ให้พ้ากับแม่ชีนเนี่ยเวียนกันพูดคนละวันพระอย่างอารมาเน่ยอยู่นั่งสามเบือนอรมาได้พูดแค่ครั้งเดียวมั้ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์สุรบุตรให้ให้พูดเนยตอนเย็นแต่คนที่เฝ้ารักษาจะได้พูดตลอด คนทรักษาการที่บูหลงนะแต่พวกที่ไปจํารรษาเนี่ยมีสิทธิ์แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นกว่าจะถึงรอบได้ได้ผู้ธรรมะพระบางคนก็พูดไม่เป็นก็ทำโยมขาก็มีเพราะว่าพูดไม่ออกอะใจก็สั่นสั่นไม่หมดเพราะบางคนไม่เคยพูดไงนั้นการพู้ธรรมะมันจะเรื่องง่ายบางคนก็พูดเป็นก็มีเรื่องดราม่าทําให้คนเนี่ยอินก็มีอย่างพรรษาแล้วก็มีพระอยู่คนหนึ่ง พูดเรื่องดูแลภรร ย, ยาจนเสียชีวิตอะขนาดคนฟังจบเลยอาจารย์ภาษาจะต้องไปขอขอเสียงที่อ่านไว้เลยเพราะมันมีจุดน่าสนใจไนงะคือการทาสิ่งที่ทําได้ยากเนี่ยดูแลแฟนที่เป็นมะเร็งอะ่ะจนตายจากกันเนี่ยมันก็มีเรื่องดีๆอยู่นะในเรื่องที่เรามองว่าบางครั้งก็เป็นไปได้ยากที่ว่าพระใหม่จะพูดได้ดราม่าพูดได้กินใจให้เราได้คิด ที่นู่นไปปีตบบาทก็จะมีหมาเนี่ยออกมาต้อนรับเพราะที่นู่นเนี่ยจาริษานมักจะให้ข้าวเหนียวกับหมาไงหมาเขาดีใจเวลาพระมาปิธบบาทเนี่ยเขาก็ได้กินข้าวเหนียววิ่งมาแบบดักหน้าดักหลังเลยอนามาอยู่ด้วยมาก็ถ่ายรูปรูปที่จาริษานปิธบบาทไว้เยอะอยู่เหมือนกันมีรูปนึงก็มีไก่บินมาจิกกินข้าวเหนียวกับมือ ก็น่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตแหละเพราะไก่ตัวแล้วก็หายสาดซูดไปเลยอาจจะลงหม้อไปแล้วก็ได้เพะนั้นโอกาสครั้งนึงเกิดขึ้นได้ยากมากแล้วมีอยู่สิ่งที่เกิดได้ยากก็คืออาจารย์เปี๊สารเนี่ยเดินตากฝนพระดังเนี่ยอาจารย์เปี๊สารเรื่องตากฝนไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยเพราะว่าอาจารย์จะมีองค์ครักษ์คอยพิทักษ์คอยห่วงใครฝนตกหนักเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่บินทบบาทแล้วเพราะว่ารู้กักกับชาวบ้านเพราะว่าถ้าไปบินเดี๋ยวชาวบ้านก็ต้องตากฝนมาใส่อาหารไงก็อาจจะป มีวันนั้นเนี่ยบรรยากาศมีหมอกฟ้าดูโล่ลลงฟ้าใสามากเลยนะไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกแต่พอเดินไปถึงบ้านแรกอะบ้านบ้านแรกนี่ก็ไหลโลนะประมาณสี่โลอะหลังจากบ้านแรกใส่บาทแล้วเดินเดินกลับเนี่ยทุกคนไม่มีใครอล่มไปนะเพราะวันนั้นฟ้าฟ้าใสฝนก็เริ่มเริ่มเทลงมาเลยจากตอนแรกก็ค่อยๆเลยหนักขึ้นหนักขึ้นจนทุกคนที่ไปเปียกหมดอะเปียกฝน เปี่ยฝนไกลเป็นกันแล้วชุ่มฉ่าเลยวันนั้นอนนาก็ตัดสินใจเอามือถือเนี่ยมาถ่ายจ่าไปศาลอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตมั้งยอมสละมือถือเลยนะเพราะว่าฝนตกรุนแรงมากจนน้าเจิ่งลองถนนเนี่ยคือถ้ามือถือเจ๊งถ้าได้รูปกรจายไปสารเนี่ยเดินตากฝนคุ้มมากเราก็ถ่ายแล้วคิดว่าน่าจะเป็นครั้งครั้งเดียวครั้งแรกครั้งสุดท้ายชีวิตของเราทั้งสองคนน่ะเพราะจะไปศาลไม่มีทางได้เปลี่ยฝนอีกแล้ว ทุกวันนี้ถ้าเดินมาขอใจกลางโลบอย่างยากเลยเพราะจะมีท่านตุ้มเมง้งคอยบริการอารถบริการนะภาพเหล่านั้นยืมเป็นภาพแห่งความทรงจำไม่อาจหวนกลับคือเดี๋ยวนี้อาจารย์ไปสั่นเลยจุดที่ลําบากแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนยังไม่ดังนี่ก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครถ่ายรูปไม่มีใครมาดูแลแบบนี้ไงชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็นภาพอาจารย์บู๊ลำบากไม่มีอีกแล้ว เป็นภาพแบบความทรงจำอันมาก็นํามาเล่าพวกโยฟังกันแหละเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอันมาก็ไดนาไปถ่ายรูปผู้หลงสักครั้งหนึ่งไปถ่ายวีดีโอทัานสักครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้คนลืมพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอญาตโยก็จะทําอะไรก็ให้คิดดีๆให้มีโยริโสมนัิการพิจารณาก่อนที่จะทำถ้าเกิดเราไม่พิจารณาทำไปแล้วจะผิดพลาดได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราดีกว่า